ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายประสุทธ์ในวันนี้จะได้พูดในอังคุตรนในกายเอตตะกปาลิเรื่องพระอนุรุทธเถระพระอนุรุทธเถระนั้นเป็นพระหันผู้ใหญ่ระดับเอตตะกะคือมหาสาวกผู้ใหญ่ที่จะทำงานเป็นประโยชน์แก่พระาศาสนาจนถึง ประตูมสังคยนณาพระาอาจารย์ได้เล่าไว้ในอตัตถกถาถึงบุปกรรมของท่านที่เป็นเหตุให้ได้มาบรรลุอรหันต์เป็นพระหันในตอนหลังเริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระท่านได้เกิดเป็นเครือบดีผู้ใหญ่ได้มีฐานะมั่งคั่งมากวันหนึ่งได้นำอาหารไป ต่อวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ก็ในที่นั้นเองพระพุทธเจ้าได้ทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งยอดกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านที่ประจักษศุขท่านเครือขบดีเห็นแล้วก็เกิดความชื่นชมป่าภิกษุรูปนี้ยิ่งใหญ่มีอนุภาพจึงได้รับการยกย่องแต่งตั้ง จากพระพุทธเจ้าในถ้ำกลางพุทธบริษัทก็เกิดฉันทัาความพอใจในตำแหน่งนี้จากนั้นท่านกนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ให้เสเวยในฉันไหนนิเวศของท่านเป็นเวลาเจวันจากนั้นก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าทรงพรนามว่าปทุมุตตะ บุญกุศลทั้งหมดที่กระทํามาโดยลําดับนั้นท่านไม่ต้องการสิ่งอื่นแต่ว่าต้องการให้ท่านได้เป็นภิกษุที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าปรุงใดพรุงหนึ่งในตําแหน่งที่เลิ่ทางที่เป็นชักสุเช่นเดียวกับภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งในบางก่อ์พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตะได้เล็งดูด้วยอนนากตังสยานก็ะสงฆ์ทราบ ว่าท่านจะได้สําเร็จตามความต้องการจึงได้รับสั่งว่าท่านจะได้เป็นภิกษุชื่อว่าอนุรุตแต่ได้รับยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านทิจักสุในศาสนาของพระพุทธเจ้าสมพระนามว่าสปนาคโคดมท่านเรือ บ, บดีก็มีความชื่นชมคล้ายๆกับสมบัตินั้นท่านจะได้ในวันพรุ่งนี้แล้วก็มีชัน้นเทาอุตสาหะในการกระทําบุญตืบต่อกันมา พอระพุทธเจ้านิพพานท่านก็มีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยบุญกุศลเหล่านั้นก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ที่เป็นส่วนมากมาถึงสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้กระทำบุญโดยเฉพาะสร้างเจดีย์ก็มาสร้างเจดีย์ แล้วก็อีกก่อนที่จะบังเกิดเป็นเทพบุตรแล้วมาเกิดเป็นพระอนุรุธนั้นก็คนเราก็ทำบุญกรรมแตกต่างกันตอนนี้บาปกรรมก็เกิดส่งผลให้ถ้าไม่เกิดตอนว่างพุทธันดรมีพระกัตถพีพระปฏิตตยกรรพุทธเจ้าเกิดเป็นคนใช้ของเศรษฐีที่ยากไร้ามากสองสามีปัญญาชื่ออันนภาระ อนนาภาระก็อ น, นะก็แปลว่าข้าวน้ำนะฮะแปลว่าข้าวน้ำแปลว่าข้าวก็คงจะทำหน้าที่เกี่ยวกับลูกนาอะไรต่างๆดูชื่อแล้วก็น่าจะเป็นอย่างงั้นต่อมาพระปัจเจกาพุทธเจ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติก็สวจดูว่าจะไปโปรดใครจะไปช่วยใครก็เห็นนายอนนาภาระ ท่านก็มา น, น, นายอนนภาระกำลังทำงานอยู่ทำนาอยู่ทำนาเป็นเป็นลูกจ้างในนาก็เห็นพระปัิเจกัพพุทธเจ้าก็ดีใจมาคิดว่าเราเนี่ยชาติก่อนคงจะไม่ทำบุญทำทานอะไรชาตินี้จึงยากไร้เลเนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอาหารถทายหรือเปล่าก็ไม่รู้ เลยก็เข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าเรียนถามว่าท่านคุณเจ้าได้รับอาหารได้ยังท่านก็บอกว่าก็จะได้อยู่มหาบุรุษแต่เสร็จแล้วเมื่อท่านมองดูในบาทก็ไม่เห็นจึงก็หมายความว่าถ้าท่านถวายก็ได้ท่านก็ไปที่บ้านสอบถามปัญญาว่าหุงอาหารเสร็จแล้วยังปัญญาก็บอกว่าหุงเสร็จแล้ว แกก็บอกปัญญาว่าเนี่ยพวกเรานี่สองคนนี่คงจะทําบาปกรรมมยายอะเล ย, ยก็อยากอยากร้ายได้เกินวันนี้ไปพบพระปัิเจ้าพุทธเจ้าก็ขอให้เธอเอาส่วนแบ่งของฉันเนี่ยทั้งหมดเลยเจ้าถ ว, วายพระปัิเจ้าพุทธเจ้าปัญญาเขาก็เป็นคนใจบุญใจกุศลม่ว่าเรื่องอะไรสามีจะตักบาตคนเดียวแกก็เอาส่วนของแกให้แต่ด้วยทั้งหมดเลยก็ตกลงว่าก็เข้ามื้อเดียวก็หมดอ่ะ ก, ก็ก็อดกันเนี่ย ท่านก็เอาไปถวายแก่พระประเจกับพระติจา้าขยาดความจนนะฮะพระกลัวความจนมากเลยท่านก็ถวายอาหารเสร็จแล้วบอกว่าด้วยบุญกุศลที่ถวายาหา ร, รบินธบาตนี้ เ, เกิดชาติหนึ่งพบใดก็ตามจากใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานขอให้อยติได้ยินคําว่าไม่มีเลยมันขยาดต่อคาว่าไม่มีเลยเลยพระประเจกับพระติจ้าท่านก็ให้พร พรพระประเจกาพระพุทธเจ้าก็คือบทญถ า, าที่พระออกมาให้นะอิชิตังปาจิตังตุมหังกิบะเมวัสมิจตุนะสเพบุเรนตุสังกปาฉันโทมาราโซยัาในชโชติราโซยัาก็ท่านนี้ทุกที่ะก็ให้พรแค่นี้พรพระประเตกาพระพุทธเจ้านะที่พระออกมาให้กันเนี่ยนายอนนาปานะก็ชื่นชมยินดีในบุญในกุศลพอดีท่านเศรษฐีซึ่งเป็นนายของอนนาปานะ ก็อยากจะถวายอาหารแก่พระบาทเจ้าพะพุทธเจา้าท่านบอกว่ารับแล้วรับมาแล้วไม่สมไม่รับอีกนะถามว่ารับที่ไหนบอกว่ารับในบ้านของอันในอั น, นาภาระเสฐีก็บอกว่ารับแล้วก็รับแล้วไปขอซื้อจะเลยกัขอซื้อส่วนบุญครขอซื้อขอซื้อส่วนหน้า น, นาฬะบอกว่าไม่ได้หรอกคือแกยอมอดข้าวเลยวันนี้ทําบุญถวายพระ แกจะไม่จะไปขายไม่ได้เศรษฐีก็ให้พันหนึ่งก็ไม่ขายสองพันก็ไม่ขา ย, 2, ข, ายขึ้นไปถึงห้าพันก็ไม่ขายก็บอกให้สมบัติอะไรก็ไม่ขายเศรษฐีก็ต่อรองนะบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอแบ่งบุญด้วยแกบอกเอมันแบ่งได้หรือเปล่าก็ไม่รู้สิจะลองไปถามพ ร, ระปเจกับพุทธเจ้าดู ก, ก่อนแบ่งได้หรือเปลาบุญเนี่ยเลยก็วิ่งตามพ ร, ระปเจกระพุทธเจ้าไปบอกเศรษฐีท่านจะมาขอแบ่งส่วนบุญจะได้หรือไม่พระประเจกระพุทธเจ้าท่าน บอกว่าได้แล้วท่านอุปมาให้ฟังว่าเหมือนกับคนมันจุดไฟขึ้นดวงหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีคนมาขอต่อขอต่อขอต่อขอต่อนะขอต่อกี่ดวงก็ตามไฟมันจะน้อยไปไหมท่านบอกไม่น้อยไปแต่ไฟจะสว่างมากยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็พระประเจคพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าอย่างนี้ก็เหมือนกันคือการแบ่งบุญให้แก่คนอื่นนั้นที่จริงเป็นการเพิ่มบุญเรานะเพิ่มบุญเราให้มากยิ่งขึ้นทุกทีที่เราแบ่งเพราะอะไรเพราะว่าการให้นั้น การให้ตอนแรกก็ในกรณีนี้คือทานธรรมะเมื่อเราให้ส่วนบุญก็เป็นปฏิทานธรรมะเป็นอะไรล่ะเป็นวันนะขจัดวันนะมะเชิยะกฐามะเชิยะได้แล้วก็ให้ต่อๆกันไปก็ทําให้ไฟสว่างขึ้นเพราะฉะนั้นการให้บุญนั้นคือการเพิ่มบุญตามที่พระพุทเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงนะฮะตามหลักความจริงพระพุทธเจ้าก็แสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็มาแบ่งบุญให้ เรต้องลงมาร่วมบุญกันนายกับลูกน้องเศรษฐีก็ดีใจเลยก็ชวนลูกน้องไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเลยพระเจ้าแผ่นดินท่านก็วันนั้นแทนที่จะมองเศรษฐีไม่มองเศรษฐีไปมองชื่นชมกันในอันนาปันเศรษฐีก็มองแล้วมองอีกพระเจ้าแผ่นดินไม่หันพระพักมาเลยอยู่มองเฉพาะขด น, น้นแกก็สงสัยว่าทําไมพระองค์ไม่มองมองฉัน ก็บอกว่าพระเจ้าเป็นนินรู้สึกทึ่งคนนี้ยังไงชอบคนเกิดมันรู้สึกทึ่งๆยังไงนะครับดูเป็นคนน่าดูน่าชมมีสง่าราศีอะไรเชอบคนแล้วท่านก็เล่าให้ฟังเศรษฐีก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่น่าชื่นชมนั้นมากกว่ารูปร่างก็มีแล้วก็เล่าถึงการได้มีโอกาสตักบาตรแก่พระพัจเกพทธเจ้าพระราชาก็ขอแบ่งบุญทีนี้แบ่งเท่าไหร่ก็แบ่งนะฮะแลยวแบ่งเท่าไหร่ก็แบ่งเพราะท่านเข้าใจแล้วว่าแบ่งได้ก็แบ่งกันไปเอ่อก็ตกลงว่า แม่นับ para para ก็กลายเป็นเศรษฐีไปงานการทั้งหลายทั้งปวงก็ก็เลิกทําแล้วก็กลายเป็นเพื่อนเกษตรจีก็มีความสุขเป็นในชาตินั้นชาติหนึ่งท่านก็ไม่ประมาททําบุญเรื่อยมาต่อมาในถึงสมัยพุทธกาลเราก็เกิดเป็นลูกของสุโกธนะึเป็นน้องชายของพระเจ้าสุตโตทนะเพราะงั้นก็เป็นอนุชาของพระพุทธเจ้าออตอนพระพุทธเจ้าประสูตินั้น ท่านจะประสูตรแล้วหรือไม่ประสูตรนี่ก็ไม่ทราบ น, นะฮะแต่ว่าสรุปว่าพระราชวงศ์ทั้งหลายที่มีโอรสมาก่อนหรือหลังก็ตามหรือว่าเกิดใกล้เคียงกันก็ตามนั้นจะมอบถวายให้เป็นค่าของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทัง้งเจ้าชายสิทธัตถะทั้งหมดก็โดยพื้นฐานความเชื่อนะฮะว่าพระพุทธเจ้าจะเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิหรือเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นยังไงก็ตามกษัตริย์ขันยกุมารเหล่านี้ก็จะเป็นลูกน้องตามเสด็จทั้งหมด ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ศัสรู้แล้ว้คนอื่นเขาก็ทยอยบวชกันไปเรื่อยๆมันยังมีอ่าสี่หองเจองนะ6องคนะ์ที่จริงหกองค์คือมีพระอนนทร์พระพัิยะพระนุรุตพระเจ้ามหานามภพคุกิมพิละเทวทัตนะฮะแล้วก็ที่จริงก็เจ็ดทีนี้มันมันไอเจ็นี่มันต้องอยู่เป็นพระเจ้าแผ่นดินสักองค์หนึ่งไม่มีพระเจ้าแผ่นดินแล้วญาติาผู้ใหญ่ก็ท้วงติง ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขารักษาสัตจะมากเลยเมื่อสัตจะก็ต้องไปฏิบัติตามสาัตจะเล ย, ยาญาติผู้ใหญ่ว่าสายตะกูลเนี่ยสามสี่ไอ้หกสายเนี่ยยังไม่มีใครบวชเลยพระเจ้าอนุรัตพระเจ้ามาหานามะกับอนุรุตนั้นสองคนพี่น้องไม่น้องสาวอีกคนที่โรหินีเพราะงั้นไอ้ในตะกูลนี้บวชได้คนหนึ่งแนหะแต่ว่าตะกูลอื่นก็คนเดียวก็ อ, อนุรุตก็บอกว่าพี่นี่พระญาติเขาก็บอกกับพวกเราต้องบวชคนนะพี่บวชก็แล้วกันนะ ผมจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเองพระเจ้ามหานามาก็บอกว่าไม่เป็นไรน้องเบื่อพี่บัวก็ดีแต่ว่าน้องต้องเรียนวิธีทํางานได้ก่อนบริหารบ้านเมืองอย่างไงทํานาอย่างไรอะไรแต่ใดนะฮะแกก็ไม่เคยทํานาทําอะไรเลยนะฮะไม่เข้าใจเรื่องงานเพราะด้วยผลบุญในสมัยเป็นอนาณาภาระเนี่ยมันคุ้มครองท่านอยู่ เ, เขาก็เล่าว่าคราวหนึ่งสามคนนะพระกุกิมิระอนุรุตเนี่นั่งนั่งนั่งคุยกันนั่งถกปัญหากัน นักถกปัญหากันว่าไอ้ข้าวนี่มันเกิดมาจากไหนคนหนึ่งบอกว่าเกิดมาจากจากจากจากแปลงเอ่อจากแปลงที่เขานวดนะฮะไม่ใช่จากฉางฉางหลวงจาก้างหลวงคนนวดข้าวยังไม่เห็นนะแล้วก็คนหนึ่งบอกไม่ใช่เกิดมาจากหม้อข้าวอันดรุบอกไม่ใช่ไม่ใช่มันเกิดมาจากถาดจากถาดทองคํำคือท่านไม่เคยเห็นก็ผงข้าวไม่เคยเห็นก็ผงข้าวเพราะว่า มันมีคราวหนึ่งพวกนี้ไปเล่นเขาเรียกกัเล่นอะไรอะ่ะเล่นเล่นครุบเล่นอะไรเนี่ยแพ้นะฮะอนุรุษแพ้พนันขนมนะฮะพนันขนมกันทีนี้แพ้แพ้แพ้เละเลยมันนะมือตกแพ้แพ้ใหญ่เลยขนมหมดส่งคนไปขอขนมแม่มาแม่บอกขนมหมดขนมไม่มีอนุรุตไม่เคยได้ยินคบว่าไม่มีบอกว่าไปไปบอกแม่ก็แล้วกันมาขอขนมที่ชื่อว่าไม่มีก็แล้วกันนะ อาาแม่ก็แย่เลยลูกไม่รู้เรื่องเลยเลยท่านก็นไม่รู้จะเอาอยัางไงก็เอาไอา้ถาดถาดใส่มาเลยแล้วผ้าปิดมาให้ว่าไม่ไม่มีก็คือไม่มีอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าได้บุญญาธิการนะฮะไอ้ เ, อเอทพเจ้าที่รักษาร่านเมืองเห็นเราไม่ได้มันมันมันไปขัดบุญเคขาอะแต่กงแต น, นี้มิตรขนมใส่ เ, เรื่อยเลยทุกถาดเลยมาที่ไหนเพราะงั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนออกบวชนะฮะอนุรัก์กินขนมไม่มีตลอดเลยเือ พอแม่รู้เข้าแม่ว่าเอ๊ลูกเรามีบุญนะคไงก็ถาดเปล่าๆอ่ะถาดเปล่าๆแต่ว่าไปครึ่งทางมันขนมมันเกิดเต็มถาดขึ้นมาแล้วก็ขนมทิพนะเทวดาให้อนุรุตก็ขอกินขนมชื่อ น, นี้มาตลอดแม่ก็สงสยัยไม่รู้จะทํำยังไงแต่ก็ท่านเข้าใจว่าเป็นบุญของลูกเพราะงั้นเวลาลูกต้องการกินขนมก็ล้างถาดสะอาดแล้วผ้าปิด <c oughs> ก็ดีนะประหยัดไฟไปเยอะประหยัดสตางค์เยอะเลยดังนั้นอานุรุงจริงๆไม่รู้เรื่องอะไรเลย พอพี่ชายสอนเข้า ว, ว่าต้องมีการไถานา ม, มีการชักนามีมการไถนามออกไถนม้มเข้ า, า, ม, ขามีการหว่านมีการ เ, เก็บเกี่ยวมีการนวดลงลานอุตสาหพัอนุรุษถามวันนี้เมืม่อไรจะเสร็จอ่ะก็บอกไม่รู้ว่าก็ตายตายก็ยังไม่เสร็จนะคนอื่นก็ทําต่อบอกว่าไม่เอาแล้วท่านพี่บวชก็แล้วกันนะผมบวช ด, ดีไ อ, อ้พี่พี่เป็นไม่จเจ้าแผ่นดินก็แล้วกันผมบวช ด, ดีกว่าพอบวชเข้ามันก็ต้อ ง, ต, องต้องดึงเพื่อนเนะ่ยท่านก็มีพัทยาภัทยาตอนนั้นเขาเป็นเจ้าแผ่นดินอยู่แล้วนะ เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่แล้วก็เป็นน้องพระพุทธเจ้าเหมือนกันเป็นเป็นพระนุชาเหมือนกันแต่ ว, ว่าลูกพี่ลูกน้องนะฮะลูกพี่ลูกน้องพัติยะก็บอกว่าเอ๊มันบวชไม่ได้นะมบวชไม่ได้มีครอบมีครัวแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นพระเจ้าแผ่นดินบอกไม่ได้นะคือแม่ท่านยื่นเงื่อนไขามาว่าถ้าถ้าพัติยะบวชแล้วก็อนุญาตให้บวชเพราะฉะนั้น้ฉันจะบวชได้ก็เธอต้องบวช ด, ด้วยแต่ว่าเธอไปบวชฉันก็ไม่ได้บวช ทำยังไงก็พัทธิยาเขก็ต่อรองมาเรื่อยนะต่อรองเจปีนะต่อกันมาเรื่อยเป็นเป็นเป็นเจ็ดเดือนปนุณธท้ายเหลือเจวันแเจ็ดวันก็ต่อรองบวชกันหมดตอนนั้นก็บวชก็เจคนนะฮะบวชอนุรุตบวชภัทธิยาอานนทพ ค, คุกิมพิละเทวทัตเอ่อพวกนี้ก็ดึง อ, อุบาลีไปค น, นอุบาลีไม่ใช่กษัตริย์เป็นช่างกัน ร, ระบบอย่างตัดผมของขคัตยักุมารเหล่านี้ เ, เมื่อก่อนก็ไม่ตั้งใจจะบวจอุบาลีนั้นไม่ได้ตั้งใจจะบวช แต่ว่าส่งเสด็จเจ้านายไปทรงเสด็จพอพอเลยเขตกบินลพัดไอ้พวกกัตย์ที่ยารุบาลตอ น, นี้ก็ถอดเครื่องทรงออกหมดเลยไปธรรมดาไปแบบชาวบ้านธรรมดาบาลีก็ขอบเครื่องทรงกษัตริย์ตั้งหองเนี่มันก็เยอะเยอะแยะไปหมดเลยแกว่าเอมันชักจะไม่ได้เรื่องไงเนี่ยเราไปจะแบกเครื่องทรงกษัตริย์ไปอย่างนี้ถ้าหากก็กลับไปถึงพวกศากยะเขาเห็นไม่ไม่เห็นลูกเขาแล้วเขาบอกว่าเราฆ่าลูกเขาแย่งราชสมบัติเราก็ตายเลย แพวกนี้สมบัติขนาดนี้เขาทิ้งให้เราเรื่องเราจะแบกไม่เอาบวช ด, ด้วยเลยท่านก็แขวนไว้ที่ต้นไม้แล้วก็ขอไปบวช ด, ด้วยในสุดก็บวชพร้อมกันจะไปไปถึงอนุปยะามาวันไปบวชที่แคว้นมันละนะฮะออกจากกรุงกบินลพัตไปบวชที่แคว้นมันละพวกนั้นต้องการลดขัติญามานะตัวเองก็ให้อุบาลีบวชก่อนให้ลูกน้องบวชก่อนแล้ตรงนี้ก็ปฏิบัติตัวเป็นลูกศิษย์ลูกน้องคือลดทิฐิมานะตัวเองด้วยกัน เป็นเป็นเป็นวิธีขัดเกลานะฮะพวกพวกพวกกษัตริย์สายพระพุทธเจ้านี่มาน่าจัดมากเอ่อทีนี้พอบวชเสร็จแล้วต่างคนต่างก็บําเพ็ญเพียรไปจนบรรลุมรรคผลกันไปในที่สุดก็เหลือเทวทัตกับอานน์นะฮะเทวทัตนี่ได้ริดปูตุชนแล้วต่อมาก็เกิดโลภในตําแหน่งพระพุทธเจ้าไป เ, เกิดคิดจิตคิดประทุษร้ายในพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ชาญเสื่อมแล้วกก็อารวาสอย่างที่รู้จักันอยู่นะฮะรอาณ น, น์ก็ได้แค่โสดาบัน ตอนนั้นก็บรรลุเป็นพระหันทั้งหมดเลยพระอนุรุตนั้นเมื่อไปบําเพ็ญเพียรไม่ใช่บรรลุในตอนนั้นนะฮะไม่ใช่บรรลุในตอนนั้นฟังธรรมเทศนาแล้วออกโบทบาเพ็ญเพียรก็บรรลุท่านไปโน่นไปตรึกเรื่องมหาบริสวิตกคือตรึกแนวมหาบุรุษมองดูสัตว์ที่เกิดที่ตายแต่ว่ก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่ท่านไปตอนนั้นยังไม่บรรลุ ก, กันทั้งหมดเลย เราก็ไปนั่งคุยกับกับท่านพระคุณกับท่านกิมพิลาบอกแมไ่ไอ้บริกรรมเพื่อที่จะสูญมันยากจริงๆรว้เลยว่าจะต้องการจะเห็นเทวดาอย่างเดียวเนี่ยไม่เห็นต้องต่อสู้กันจนเห็นไปเห็นเป็นเงาเงารางๆพอพอจะให้ชัดเอาหายติกละแล้วกว่าจะดึงจากเงารางๆมาจนถึงถึงชัดเนี่ยต้องใช้เวลาหรือเกินเลยจากชัดแล้วเนี่ยเขาให้เทวดาจะจะพูด ก, กันกับเทวดาติดต่อกับเทวดาได้เนี่ยก็ทํากันยากเลยแล้วก็ติดต่อกันได้แล้วเนี่ย กว่าจะพูดกันรู้เรื่องมันอีกช่วงนี้นานแล้วกันท่านก็ปราบรกว่าหมายมา อ, าอ น, นี่มันทํายากจริงๆเลยบริการเพื่อที่พระจักรสรเนี่ยก็คือเพื่อเจ้าสเสด็จก็รับสั่งเล่า ว, ว่าเหมือนกันแหละตอนตถาคตทําอย่างนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละหรือแต่ละขั้นแต่ละตอนว่าอยากให้เห็นเทวดานี่ยจากจากช่วงเห็นเทวดาว่าทำอย่างไงจึงจะเห็นเทวดาได้โดยที่พระจักรสร์นี่ก็ยากใช้เวลากันเยอะพอเห็นเห็นชัดนะ จากภาพรังร่างจางๆแบ๊บหายแบ๊บหายแบ๊บหายเนี่ยแล้วจนจนรางรางขึ้นมาจนมาถึงภาพชัดจากภาพชัดจนกว่าจะให้เทวดาพูดเนี่ยมันก็นานจากเทวดาพูดแล้วสนทนากันได้ก็นานอีกพระพุทธเจ้าก็ยากอย่างนี้รัตสั่งว่ายากอย่างเนี้ยทุกคนทํามันก็มีปัญหาอย่างนั้นเพราะฉะั้นเราเราจะเห็นว่าการปฏิบัติอะไรที่เรานั่งปฏิเสธกันใจใจใจใจคือเวลาเขาทาได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําง่ายๆนะ ก็ไม่ได้ทาง่ายๆต้องข้าวยานต้องออกชานต้องข้าวสับลําดับออกกลับลําดับย้อนลําดับอะไรตัวอะไรนี่ข้ามชานอะไรได้หมดเลยมันเป็นวัสดีหมดนะทุกเรื่องถึงจะถึงจะทําอะไรได้สักอย่างนะครับมันไม่ใช่มีอะไรลอยๆแล้วเรื่องเงือโชคด้วยกันทั้งนั้นนหะทีนี้มันปัญหาสําคัญว่าท่านอนุรุตเนี่ยท่านเป็นพิเศษกับคนอื่นหมายความว่านอกจากพระพุทธเจ้าท่านในด้านกรณีที่ไปจักสุนะฮะ ในด้านกรณีที่ไปจากสุแล้วท่านก็เยี่ยมกับคนอืน่นแต่ท่านก็เป็นพระอราหันต์รูปหนึ่งคือพระอราหันต์เนี่ยไม่ค่อยเป็นต้นบัญญัติพระวินัย น, นะเพราะว่าท่านมีสติสมบูรณ์แต่พระอนุ ร, อนรุตก็โดนก็ข้อเดียวกันที่ห้ามพระอยู่ร่วมกับผู้หญิงในชายคาเดียวกันนะฮะในห้องเดียวกันในชาคาเดียวกันพ ร, พระอนุรุตเป็นต้นบัญญตัติท่านกลับจากกรุงกบิลพัทไปเยี่ยมพระญาติ กลับมาคนเดียวนะฮะทีนี้ก็มีไอ้ที่พักทั้งก็แวะขอพักเขาแวะพักแล้วก็ไอ้ผู้หญิงเจ้าของบ้านก็เห็นท่านรุษก็ลูกผู้น้องและพุทธเจ้ากันนึกดูก็ก็ก็งานสง่าขนาดไหนเลยนิมนต์ไปพักในห้องพิเศษวางแผนจะนิมนต์พระอยู่บ้าน ก็ตกกลางคืนแกก็หาวิธียั่วยุนด้วยประการต่างๆแต่ตอนนั้นท่านเป็นพระหันแล้วนะฮท่านก็นั่งเฉยๆอย่างนั้นไม่เป็นไรเสร็จแล้วผู้หญิงนา่งแกเกิดสลดใจแกเองขอขมาลาโทษที่ร่วงเกินพระเถระก็ก็ไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนแกก็ยั่วยุนแล้วท่านก็นั่งเฉยๆอย่างนั้นเกิดก็นั่งคล้ายๆกับพุทธเจ้าตอนนางตัณหานางราคานางอธิปจนนั้นก็นั่งเฉยๆเหมือนพระพุทธรูปนั่งอ่ะครจะทําอะไรก็ทําไป เคืออย่างนั่นก็ขอโทษแต่ว่าท่านไปถึงท่านก็ไปเล่านายพระพุทธเจ้าทราบว่าได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นพระนรุนั้นมีปัญหาใช่ไหะแต่ถ้าพระอื่นมันก็มีปัญหาแหละพระเจ้าเลยบัญญัติวินัยเลบัญญัติวิหนัยห้ามพระอยู่ห้องออร่วมชายคาเดียวกับผู้หญิงนะฮะไอ้ทีนี้ต่อมาในตีชายคากันจนเละหมดเลยตีชายคาที่มุงที่บางันเดียวกัน ตกลงว่าโรงแรมห้าร้อยห้องเอาผู้หญิงอยู่ห้องเดียวพระพักให้ได้เลยเละหมดเลยที่จริงจริงๆแล้วมันห้องเดียวนะฮะห้องเดียวต่นนั้นเองในห้องนั้นแหละอยู่ในห้องเดียวกันนี่ไม่ได้นะ <g ül> ไม่ได้หมายความว่าทั้งทั้งหลังอะไรอย่างนั้นฮะทั้งหลังยังไงแล้วพระไปอเมริกาไปอังกฤษก็เลิกกันเลยไปไปเดี๋ยวพักต่างปักหดอยู่แต่นั้นก็พอดีตายพอดีเลย <g ül> ในในในในในฟรานซิสตอร์รี่นะครับ แกเขียนบอกไปเนี่ยวินัยบางอย่างเนี่ยพระตถาจารย์ท่านตีความเกินไปนะครตีความเกินไปว่ากายก็ทั้งมุงทั้งบังฮทั้งมุงทั้งบังหมายความว่าก็ดูห้องที่พระนรุธท่านอยู่ะก็คือมุงมุงก็คือไปด้านข้างบนน่ะบังก็คือฝาเนี่ยก็คือฝาทานั้นไม่เกี่ยวอะไรกับห้องข้างบนนั่นนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็อธิบายตีความตรงเรื่องหน่อยนะคร เมื่อก่อนแล้วก็เหลือเกินจีความยังทาอะไรไม่ได้หมดทําอะไรไม่ได้พ ร, ระตาอาจารย์ท่านมันนั่งตีที่ลังกานถ้าไม่ได้ดูเหตุผลอะไรบางทีท่านตีออพระนรุตนั้นท่านเป็นพระเถระถึงแม้จะเป็นพุทธานุชาแต่ว่าบทบาทท่านไม่เด่นเหมือนพระอนุนนะฮะบทบาทไม่เด่นส่วนมากจะไปแก้ปัญหาเรียบมีปัญหาเวลานี้พระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนไปแล้วย ม, มกปฏิหารพระพุทธเจ้าหายไปแล้วคนดูดูหายไปแล้ว ก็ต้องไปถามพระนรุตพระนรุธท่านก็บอกให้นะตอนพระพุทธเจ้ า, านิพพานพระนุรุตก็ต้องข้าวจานตามข้าชานตามพระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียวนะฮะคนอื่นก็อยู่อยู่อยู่ในเรียบบทปกติคือไม่ไปข้าวจานทีนี้พอพอมีปัญหาตอนนี้พระพุทธเจ้าข้าวจานถึงไหนแล้วอนิพพานแล้วยังอะไรอะไรเนี่ยถ้าถามพระนรุตตลอดพระนรุตท่านก็บอกตลอด ตลอดก็ค่าก็เดินตามไปนะฮะแต่ว่านี่มันก็เดินโดยชั้นขั้งจิตแล้วก็เป็นพระเถระรูปหนึ่งในสังขายนาครั้งที่แรกนะฮะแล้วก็เป็นคนที่คุมพระไปกรุงจากกรุงกุสินาราไปกรุงราชสกุลเพื่อทำสังคายนาเนะี่ยรหรูปท่านก็เป็นคนเป็นเป็นหัวหน้าคุมไปแล้วก็ร่วมในการสังขายนาเป็นระดับหมหาเถระผู้ใหญ่นะ ตอนนั้นเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่อยู่ในที่ประนิพานของรพระพุทธเจ้าสามสีออสมส่องค์นั้นสี่องค์องค์อื่นๆก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อไม่ไม่ไม่ไม่อยู่ในระดับมหาสาวกอ่ะก็มีพระอุปวานะมีพระอานนท์มีพระอนุนรนุตมีพระอุบาลีนะฮะอยู่ตรงนั้นพระหมหากัตตะปะก็ไม่อยู่ภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะกนน็นิพานไปแล้วชื่อที่ปรากฏนั้นก็มีอยู่สี่ห้าองค์นั่นเองนี่ก็เป็นใจความโดยสรุปทีนี้เราก็มามองถึงว่า เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกัเรื่องประสูตินะฮะประสุภูติระดับพระมหาสาวกผู้ใหญ่43องค์พวกก็เรียกว่าเอตัทธาคาสาวกนะที่ได้รับยกย่องวันเลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใดด้านหนึ่งก็ตามาจะเริ่มสร้างบา ร, รมีสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามปฐุมุตตะเหมือนกันปฐุมุตตะเหมือนกันเว้นแต่วพวกมหาสาวกผู้ใหญ่นะะพวกปสารีบุตรทั้งก่อนนั้นส่วน อารหันระดับระดับทั่วทไปเช่นพระสุภูติก็ดีพระสาไยพระอนนท์ก็ดีหรือพระอารหันรูปอื่นๆนะฮะที่ล่ามาแล้วก็จะอยู่ในจุดนั้นคือจะเริ่มบําเพ็ญวา ร, รมีในจุดนั้นแล้วมาเกิดชั้นทะเกิดชั้นทะคือเกิดความพอใจในตําแหน่งพระสุภูติก็อย่างที่เราฟังวันก่อนนั้นก็พอใจในตําแหน่งแทนที่จะออกบวชตามลุสิธฐ์ท่านไม่บวช ท่นต้องการได้อีสถานะหนึ่งก็ทํานองเดียวพระพุทธเจ้าเราเหมือนกันน่ยพระพุทธเจ้าตอนเป็นสุเมตดาบทนั้นาตามหลักฐานแล้วเนี่ยท่านประกอบด้วยธรรมสมุสมทฐานแปดข้อโดยเฉพาะข้อที่สามเาเรียกว่าเหตุสัมปทาสมบัติคือมีอุปนิสัยบา ร, รมีที่จะออกบวชและบรรลุอรหัตได้แต่ไม่ออกบวชเพื่อบรรลุอรหรัตท่านผู้นี้ไม่ถึงอย่างนั้นนะฮะเพราะท่านท่านท่ายังไม่ได้สร้างบา ร, รมีถึงอรหรัต แต่สำหรับพระพุทธเจ้านั้นเราจะเห็นว่าพออาศัยเห็นพุท ธ, ธลีลาของพระทีบังกรพุทธเจ้าขาแทนที่จะคิดเป็นพระทหานท่านไม่เอาเลยท่านเอาหัวเลยคิดเป็นพระพุทธเจ้าเลยตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไปเสเลยแต่ภาษาพวกนั้นเราจะเห็นว่าแม้พบพระพุทธเจ้าแกไม่ได้อยากเป็นพระพุทธเจ้านะฮะแต่ก็อยากเป็นภาษาพวกอยากเป็นภาษาพวกในตําแหน่งเหล่านั้นเพระาะฉะนั้นมันว่าไอ้จุดมุ่งหมายชั้นท้าววิทยาจิตตวิมังสาพวกอิธิบาตมันก็เดินไม่เหมือนกันคือไอ้ความเข้มข้น ความอจริงอาจังที่เรียกว่าฉันทะชันทตาสมบัติความพอใจก็สูงต่ำไม่เหมือนกันอธิการสมบัติคือการกระทําเพื่อการมรรลุมรรคผลก็แตกต่างกันพระพุทธเจ้านั้นท่านท่านเต็มที่เลยแล้วก็ท่านมุ่งจุดสูงเพราะงั้นมุ่งจุดสูงมันก็ทํางานหนักกว่าพวกพระสาวพวกทั้งหลายเอ่อที่น่าสังเกตก็คือว่าเฉพาะท่านเฉพาะชาติที่ท่านเล่าไว้นะฮะพระรุธมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือสร้างเจดี ในจุดเด่นทุกชาติทุกภพจะมีการสร้างเจดีตลอดและจะมีการมีส่วนในการสร้างเจดีย์หรือเป็นหัวหน้าในการสร้างเจดีอยู่เสมอนั่นคือจุดเด่นประการหนึ่งแล้วในภพชาติใดก็ตามเฉพาะในทีน่นี้ท่านเล่าไว้ช่วงนี้นะฮะแต่สา ส, าสาชาติด้วยกันท่านไม่เคยชิ้งธรรมไม่ว่าสภาพวิกฤตทางชีวิตทางอารมณ์ยังไงก็ตามจะไม่ทิ้งธรรมะเลย นี่ก็คือฐานบารมีที่ที่อบรมสะสมเอาไว้มากแล้วพอมีปัญหาก็มีจิตสํานึกที่สูงจิตสํานึกที่สูงอย่างในชาติที่เป็นในอนนาภานะในอนนภาณะนะหิวข้าวทสจะขาดอยู่นี่ทำงานแล้วไปตัดใจไม่ยอมกินโดยมองเห็นว่าการที่ตนเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนนั้นได้ไม่ทําบุญทำทานอะไรนะฮะเพราะว่าระลึกชาติไม่ได้หรอกนี่มันในกรรมมันก็จําแนกเฉย ในช่วงนั้นเราเอาเฉพาะช่วงที่ท่นตั้งปณิธานเป็นการกระทําี่เรียกว่าสาตัจักิริยตาคือทําบุญติดต่อไม่ใช่พอตั้งความปรารถนาเสร็จก็เลิกแล้วต่อกันก็คล้ายๆกับเรื่องของดาวบท น, น, นันทาดาบทนะฮะที่มาเกิดเป็นพระสุภูติท่านท่านท่านก็ทําบุญต่อมาจากนั้นเศรษฐีนั่นเองก็เหมือนกันเมื่อตั้งปณิธานเห็นว่าจะได้ตามความปรารถนาแล้วท่านก็กระทําบุญต่อกันมาเรื่อย แล้ก็บำเพ็ญเพียรเรื่อยๆมาเอาใจใส่าตามบํารุงอุปถากบํารงพระพุทธเจ้ามาจนนิพพานนิพพานท่านก็ยังไม่ทิ้งยังเป็นเจ้ากิจการในการสร้างพระธาตุบรรจุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุต่อไปด้วยนี่ก็คือลักษณะอย่างหนึ่งว่าเป็นคนทําความเพียรสืบต่อไม่ใช่ความเพียรอยู่ๆจนจอดทีนี้ในในชาติต่อไปอท่านมาเกิดท่านก็สร้างเจดีย์อีกนะฮะสร้างเจดีย์อีก โดยเฉพาะชาติที่น่าศึกษาก็คือชาติของนายอนณภาระอืเป็นชาติที่น่าศึกษาอ อ, อันนี้ก็ต้องมองย้อนไปถึงนนทรนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเราเคยพูดตอนเรื่องทานนานแล้วคือสัมปทาคุณสี่สัมปทาคุณสี่นี่มันเป็นก๊อกตายตัวเลยคือบางความมาไกลก็ตามไปแตะสัมปทาคุณสี่ได้ครบสี่ข้อแล้วเนี่ยก็เหมือนกันที่เคยพูดเรื่องคนผู้มีบุญหกคนนะะ่ะท่างจะนึกออกว่าสัมปทาคุณสี่นั้นคือ หนึ่งวัตถุสัมปทาคือคนที่รับส่วนบุญไม่ใช่คนที่เราถวายนะฮะคนที่เราให้หรือถวายก็ตามะจะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยศีลาที่คุณคําว่าศีลาที่คุณนั้นก็ให้นึกออกไว้แล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาอาทินะมีศีลเป็นต้นศีลาที่คุณนจานวนบาลีบางทีก็ท่านก็พูดตัดเลยเพราะเรารู้นะฮะศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตตนะิญาณทัศนะ์ แล้วก็ขึ้นมาสีลาที่คุณคือมีศีลเป็นต้นไปต้นไปก็คืออะไรคือสมาธิคือปัญญาคือวิมุตติวิทยานัตถนะแล้วก็ขึ้นไป5ข้ออริยธรรมหเนี่ย อ, อ, อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยต้องเป็นพระอนาคามีอนาคามีแต่ทีนี้อาการจะเป็นอนาคามีหรือไม่เป็นเนี่ยเราก็ไม่ไม่มีใครรู้ท่านอะ่ะอาการที่สองก็คือปัจจยะสัมปทา ของที่เรานํามาให้นั้นไม่ไม่ไม้อกว่าเลวหรือประนีอะไรนะฮะอย่างอย่างอย่างข้าวของนายของนายอันอันนาระนี่ก็ข้าวคนใช้อะ่ะ <c oughs> คนใช้แล้วก็แบ่งเสร็จแล้วมันก็หมดเลยหรือว่าข้าวของนายปุณณธาตุที่ท่านนึกออกนะว่าที่สมัยพุทธกาสนะฮะสมัยพุทธกาลที่ตักบาตให้พระสารีบุตรแล้วก็ไอนะ้ไถ่ไนไม่ใช่ดินที่ท่านถ่ายไวนะ้น่ะเฉพาะที่ถ่ายไวนะ้น่ะกลายเป็นทองหมดเลยท่านก็กลายเป็นเศรษฐีไปเป็นคนใช้ในบ้านของ ถนนชายเศรษฐีพ่อก็นางวิสาขาแต่กลับเป็นเศรษฐีไปเลยก <g ul ain> <g ul ain> ็เป็นเศรษฐีอยู่บุญน่าเศรษฐีนี่ก็คือปัจจัยสัมปทาอย่างอย่างของแกก็เหมือนกันแ่ะคนไทยนาจ้างอะอาหารมันก็เป็ประณีตอะไรแหะแต่ว่าหมดแล้วนะหมดตัวแล้วแค่นั้นแหะทางบ้านทางช่องก็มีแค่นั้นการ ท, ที่ที่สามก็คือเจตนาสัมปทาเจตนาบริบูรณ์ทั้งสาการคือก่อนให้ขณะให้หลังให้นะฮะให้ไปแล้วหิวข้าวแทบขาดแต่ท้อง แสบใต้เลยแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนนะมีปิปติเป็นอาหารไปเลยแล้วคุณนาติเรกสัมปทาตรงนีเน้เป็นองค์ใหญ่แล้วก็บังเอิญหายากตามปกติสมัยพุทธกาลอย่างที่เคยบอกให้ฟังว่าสมัยพุทธกาลพระอาหารเกินบ้านเกินเมืองพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่แต่ว่าจังหวะได้ครบสี่อย่างก็มีอยูหกคน น, นั้นเองหายากที่จะไปเจออย่างนั้นได้นะ เ, เราอาจจะได้นะอาจจะถวายอาหารจากพระอาหารหันต์ที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติกันบ่อยๆแต่ ว, ว่าปัจจัย อาจจะได้มาไม่ดีเจตนาอาจจะไม่ดีถ้ า, ายแบบแกนแ ก, น, แกนไปะอะไรอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีผลผลมันก็ต่ําลงมาผลต่ําลงมาไม่ใช่ไม่มีผลนะฮะในกรณีนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัตใหม่ๆเลยแต่มุ่งที่จะข้ามาแก้มาเอ่อมุ่งที่จะทําบุญจริงๆเลยเพราะเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านลืมนึกถึงตัวท่านความคิดที่สําคัญก็คือความคิดที่ว่าการที่เราเป็นอย่างนี้เพราะไม่ได้ทําความดีมา ไม่ได้โทษเทวดาควาดินนะเห็นไหมฮะไม่ได้โทษข้างนอกเลยไม่ได้โทษสังคมไม่ได้โทษพ่อโทษแม่ไม่ได้โทษรัฐบาลนะแต่ว่าโทษตัวเองโทษตัวเองในสัมมวนพระอรหันต์นะพระอรหันต์ปริยบุคคลทั้งหลายเวลาเกิดปัญหานั้นท่านบอกว่าโทษของวัตตะโทษวัตตะไม่ยนตลูกให้ใครเลยท่านบอกเป็นโทษของวัตตะหมายความว่าถ้าถ้าเราไม่เข้าสู่กระแสวัตตะเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันทําอะไรเราไม่ได้ แื่อเมื่อเราเข้ามาในวัตฏะเราก็ต้องโทษของเป็นเป็นโทษจากหนึ่งของวัตฏะที่เราได้รับเพราะเราอยู่ในวัตฏะเท่านั้นเองนั่นคือลักษณะบัณฑิตท่านตั้งหลายจะเห็นว่าถ้าคนทั่วไปนะ่งก็องดา่ารัฐบาลดา่าพ่อแมนะ่ไม่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติตองให้รัฐบาลไม่ถงเพราะคนอยากได้อะไรนะคนดา่าจะเปรี้สป่าไปโยนลูกออกนอกตลอดแต่นักปราชญาเขาไม่โยนนี่เราทํากรรมไม่ดีไม่ในชาติปางก่อนเนี่ยจึงได้มีฐานะอย่างนี้ยากไร่อย่างนี้ แล้ถ้าเรายอมรับสภาพนี้เราจะเห็นว่าใจเราจะสงบแต่ที่จะไปหมั่นไส้จะไปกอ่อกวนอารวาสเบียดเบียนคนอื่นหรือจะไปะปล้นจี้คนอื่นตลอดถึงจ ะ, อะเอาเอาเอ า, เอาทรัพย์คนร่ํารวยมาแจกจ่ายคนจนอะไรอย่างที่พวกบางวกก็คิดมันก็ไม่มีหรอกบัณฑิตเขาไม่คิดอย่างนั้นเขาจะมองว่าเหตุเกิดตรงไหนไม่ผลปรากฏที่ไหนเหตุต้องเกิดมาจากนั้นเพราะงั้นผลคือความยากล่ายมันเกิดแก่ท่านตัวเหตุมันก็อยู่ที่ท่าน เหตในปัจจุบันท่านไม่เห็นก็สแสดงเหตุ น, นั้นอยู่ที่อดีตที่ส่งผลให้ท่านมาเกิดในกำเนิดในตระกูลที่ยากไร้หน้าที่ของท่านก็คือต้องแก้ตัวเหตุตัวนั้นเหตุที่ยากไร้ก็คือแม่ท่านไม่แม่ได้บำเพ็ญบุญในชาติปัจจุบันท่านก็ให้ท่านที่ที่หน้าเขาเรียกว่าสมานฉันน่ะคือฉันทาร่วมกันเป็นคู่สามีพัญญาที่พิเศษมากนะฮะ พอท่านแต่ถามรปะเจกับพุทธเจ้าคือสัมโนลด ร, ระเจกับพุทธเจ้าเนี่เป็นเรื่องน่าฟังฮะท่านบอกว่าอนนภาระไปถามว่าพระคุณเจ้าได้รับอาหารหรือยังท่านบอกว่าจะได้อยู่แต่บอกจะได้ ค, ค, ค, คือคือตอนนั้นมันก็ไม่ได้นะฮะท่านบอกว่าจะได้แล้วในในที่สุดในอนนาภาระเราจะเห็นว่าเป็นเป็นคนที่ระมัด ร, ระวังไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจตัวเองนะตั้งใจแต่ไม่แน่ใจไม่ไม่กล้ารับปากอะไรก็ ขอให้รอหน่อยรอหน่อยตัเองก็วิ่งไปเลยเพื่อจะไปดูว่าอาหารนั้นมีไหมนะถ้าคนธรรมดาอย่างท่านทั้งหลายนั้นก็คงจะไม่มีปัญหานะะหรือสมัยนี้ก็คงไม่มีปัญหานะไม่ไม่มีก็วิ่งซื้อตามร้านนะแต่ว่าไอคนจนมันมีข้าวอยู่หม้อดเดียวในวันหนึงเนี่ยฮะสองคนพัวเมียมันก็กินหม้อดเดียวเท่านั้นเองมีหรือไม่มีก็ไม่รู้เพราะงั้นก็ต้องไปถามดูก่อนทีนี้เมื่อเมื่อรู้ว่ามีเราจะดูว่าพัญญาเขา พัญยาแนวความคิดแนวนี้ก็คล้ายๆกับแนวความคิดของนางธรรมธินาใช่ไหมเออสามีขอเอาเฉพาะส่วนของแก่คือแกจะยอมหิวคนเดียวไม่ให้พัญญาหิวแต่วพัญญาแกก็เห็นเหมือนกันเนี่ยว่าอันนี้มันทําบุญเนี่ยมันไม่ใช่สามีเอาไปทําอะไรแล้วเรื่องอะไรจะให้สามีทำกันเนี่ยแกทําด้วยไปได้เหรอแกก็ให้ไปทั้งหมดเลยแกให้ไปทั้งทั้งหมดเลยเพราะงั้นมันก็เป็นสองแรงแข่งขันใช่ไหม สองแรงแข่งขนันองค์ประกอบทั้งหมดนั้นทั้ง4ี่ข้อเหมือนกันหมดทั้งทั้งทั้งทั้งสามีพัญญาแน่นอนพัญญาเป็นคนที่มาทีหลังก็เพิ่งรู้เรื่องแต่ว่าแกก็ขึ้นพร้อมเหมือนกันนะเจตนาปัจจัยก็ปัจจัยเดียวกันนะปัจจข้ามันจากหม้อเดียวกันเจตนาก็เจตนาเกิดร่วมขึ้นมาองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะมันอีกสอ ง, ององค์สมบูรณ์อยู่แล้วพ อ, อ, อปัจจัยกับเจตนาแกเกิดสมมูติแกก็ทำบุญแล้วก็ได้ผล ทั้งสามีพัญญานี่เขาเรียกว่าผลเป็นทิฏฐธรรมแต่ไม่ใช่ในศาสนานี้นะฮะไม่ใช่ในศาสนาพระพุทธเจ้าว่างศาสนาตอนนั้นไปทํากับพระปัิเจกพุทธเจ้าแต่ก็อยู่ในองค์ประกอบของสัมปทาคุณผลบุญจึงสําเร็จในชาตินั้นอย่เช่นเดียวกับสำเร็จที่พราหมณ์จูเลกะสาดกสำเร็จแก่ท่านปุณณธาตุนะสำเร็จแก่ท่ า, น อ, น, ม น, ม า, า, านอะไรนายสุโมนมาลาการอะไรเนี่ย ในในในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลเรามีหมีมหกคนด้วยกันทีนี้ในชาติที่เป็นอนุรุตชาติที่เป็นพระอนุรุตนั้นก็เป็นเอ่อเป็นที่น่าสังเกตถ้าเราอ่านชาดกนะท่านทั้งหลายจะพบว่าในชาดกที่เราพูดกันมารู้สึกอเกราห้าหเรื่องนะพระอนุรุตมักเกิดสูงแล้วมักเป็นผู้ช่วยพระเอกเคยช่วยพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยแต่ว่าฐานะจะสูงกว่าพระพุทธเจ้า กอเกิดเป็นทาสกะดเรื่อยๆเกิดเป็นทาสกะนี่รู้สึกตำแหน่งนี้ระยะหลังนะฮะระยะ เ, เรียกมหามหานิบาตชาดกสิบชาตินะฮะถ้ามีทาสกะอยู่ในเรื่องนั้นและส่วนมากจะเป็นพระนุรุษในประเภทสันดอนทาสกะที่ร้อมมาข อ, อนางมัทรีอะไรต่ออะไรนี่ฮะมาช่วยเหลือต่างๆนั้นก็คือต่อมาก็มาเกิดเป็นพระนุรุต แต่ว่าอายุเทวดานานนะฮะ บ, บางทีถ้านาั้นจะเกิดชาติเดียวก็ได้ท่านเกิดชาติเดียวก็ได้ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยคนอายุมันก็น้อยกว่ายเยอะแยะไปหมดเลยอไม่รู้สะ ก, กี่เท่าตัวนะฮะก็<ภ> er> อย่างที่เขาบอกว่าร้อยปีเมืองสวรรค์ น, นะฮะ ไ, ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยปีเมืองมนุษย์วันเดียววันหนึ่งคือหนึ่งก็เมืองสวนนรครค์นะฮะั้นท่านอาจจะเป็นคราวดเดียวก็ได้แต่ว่าพระพุทธเจา้าท่านหมุนบนก็มาเจออยู่เรื่อยเลย กันก็ท้าสกัดนี่ก็ไปไปช่วยอยู่เรื่อยๆทีนี้ในในราชสกุลศักยะที่ท่านไปอุบัติเนี่ยเราจะพบว่าราชสกุลนี้ถือเรื่องสัจจะมากถือสัจจะจริงๆตั้งแต่บ ร, รมมวงไปเลยปฐมมวงที่เราสืบไปได้นะตั้งแต่ปฐมมาวงที่สืบไปได้คือพระเจ้าโอกระกาการาชนั่นคือปฐมมาวงที่สืบที่สืบขึ้นไปได้นะ แล้วก็ที่ท่านจะรึกไว้ในตำนานในในในหลักฐานทางประสาศาสนาองค์นี้ก็เหมือนกันพรางวาจาพูดไปหน่อยเดียวเท่านั้นเองก็ให้ไม่สีน้อยนะครับเคระโกรสเป็นผู้ชายดีใจนะตอนนั้นท่านทรงพระชราแล้วก็ดีใจก็ได้ลูกชายตอนตอนแก่จริงๆก็ลูกชายมีอยู่แล้วตั้งหกคนนะอ่ะเออห้าห้าองค์ด้วยกันท่านท่า น, ท, านท่านก็ไม่ใช่ลูกชายสี่ทีลูกหญิงห้ามีอยู่แล้ว นางก็ดีใจก็พลั้งวาจาประธานพรไปว่าถ้าพระนางต้องการอะไรก็ให้ขอเลยพระองค์จะให้ตามต้องการพนางเกิดขอราชสมบัติขึ้นมาก็ให้นะฮะก็ให้เลยทั้งทั้งที่ลูกอีกตั้งแปดคนอันตั้ง9้าคนอยู่เนี่ยก็ก็ต้องยอมเป็นคนรักษาสัจจวาจามากตระกูลนี้เป็นเป็นตระกูลที่แปลกคือเด่นมากนะฮะในใ น, ในด้านสัจจวาจาเพราะเป็นเสืยวงคือถ้าถ้าพูดอะไรรับอะไรแล้วนี่ต้องทําเลย ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามต้องทําถ้าไม่ทําพระญา ต, ต้องบงังคับให้ทําใครๆจะเบี้ยวก็หยับ ก, ก็มีการขยับจะเบี้ยวอยู่เหมือนกันนะฮะก็มีมากเหมือนกันเพราะว่าไอจิตมุ่งหมายของเขาจริงๆนั้นก็คิดว่าเจ้าชายิตฐถาจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิที่ที่ ท, ท, ที่ที่มอบลูกให้นะฮะเพราะว่าราชกุลศักยะเราเจ้าถ้าเรามองดูอาณาบริเวณมันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนักก็อยู่ในคล้ายๆกับรัฐในอาณาถาของแคว้นโกศลกาศีโกศล ทีนี้ถ้าจ้ชายธิตาถาได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิข้ามันก็ใหญ่โตโมโหลานในครอบงํามจมพูทวีปได้พวกนี้ก็จะอาศัยใบบุญนะครับความคิดเดิมก็คงจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็ <c oughs> มุ่งหมายที่จะให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามที่จะให้เป็นอย่างนั้นอยู่มาตลอดแม้อยู่ในร้วนในวังก็พยายามพอมล้อมด้วยสิ่งที่บํารุงบําเรอความสุขตลอดเพื่อให้จะาชายเพลิดเพลินแต่ก็จะาชายท่านก็ไม่เพลิดเพลินทีนี้พอพออกบวชนั้นเราจะพบว่าที่ออกบวชขนานใหญ่จริงๆไง บัวขนาดใหญ่จริงๆนั้นเข้าใจว่าเราสัเดชสักราวครั้งที่สาเอ า, เอาราชกุ ม, มารในราชวงศ์ักกยะออกบวชตามสเสด็จตั้ง5 0 0รนะเรียกเกือบเกลี้ยงไปเลยเกือบเกลี้ยงไปเลยมันก็เปลี่ยนวงเป็นอุตรุษไปหมดเลยมาคลองเมืองเนี่ยเปลี่ยนมาจากพระเจ้าพัฒยะ‑‑พระเจ้าพั ฒ, ย ะ, พะพฒยะออกบวชก็เปลี่ยนมาเป็นมหานามะ พระเจ้าพานามะก็เป็นเป็นสายตั้งเท่าไหร่ละห่างจากพระพุทธเจ้ า, าไปในสุตโตธนะสุโกธนะมีโตทนะโตโธทนะคณิโตธนะก็อมิตโตธนะโโธนะนนะมนะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จะสุกโกธนะเป็นลูกของอมิตโตธนะกับนางกาลิโคทาก็เป็นน้องคนที่สามนะฮะไม่ใช่น้องคนที่สองออลูกของน้องคนที่หนึ่งพระเจ้าอนุพระอานุ์บุชรก็ไปไปอยู่ที่ลูกของน้องคนที่สาม ลูกของน้องคนที่สองแล้วก็เป็นได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เรียกว่าเป็นราชกุลที่ที่เกิดมาเพื่อเป็นพระอาราหารันต์เนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นพระอรหันต์คล้ายกันมาคพบแล้วก็เตรียมตัวเป็นพระอาราหันต์กันหมดเลยส่วนชุดนี้ก็ไปบวชกันก็อย่างที่ว่านเนี่ยก็พระญาตก็บีบ ก, กันนิดหน่อย ประเด็นที่น่าศึกษาก็คือเรื่องบุญญาโนกาบุญญาที่การที่มาอุปถัมปสนับสนุนอันนี้เรื่องบุญนั้นเป็นปัจจิตังสมบคนมีบุญเราไปอธิบายไม่ได้หลอกฮะว่าทําไมมันเกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นทําไมจึงไม่เกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นนะฮะลักษณะเด่นเหล่านี้มันเกิดขึ้นแก่พระอนุรุตก็เหมือนกับบุญเรื่องการถวายยาที่เกิดขึ้นแก่พระภากุละ พระภากุลาเป็นพระเทรศที่แปลกคือเก่งกว่าพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้นะพระพุทธเจ้าทรงมีประชวนม้างเลยพระพากุลาไม่เค ย, ไ ม, เคยไม่เคยป่วยเลยเกิดมาอายุร้อยหกสิปีนะฮะตอนท่านตายแล้วไม่ใญ่ตอนตอนท่านนิพพานไม่เคยป่วยเลยตลอดชีวิตเพราะท่านอธิษฐานไว้นะอธิษฐานไว้ด้วยการถวายยาและการอธิษฐานเกิดชาติหนึ่งพ่อปายก็อย่าให้ให้ให้ประสบกับการเจ็บไายได้ป่วยเพราะการถวายยานี่ แล้วก็ไอ้ น, นั่นแหละไอส้สำเร็จตามมรรทฐานมันก็ต้องดูที่ถวายด้วยนะฮะไม่ใช่ว่ารีบกราบกลัวป่วยจะไปถวายหลวงพ่อหลวงตาที่ไหนมันก็ต้องดูสัมมาทาคุณอีกแล้วมันต้องกราบตั้งหลักอีกอะก็ดูที่ ท, ที่ที่ตัวหลักใหญ่กันจึงจะสําเร็จตามมาโนรถของเราหรือไม่มันก็อยู่ที่องค์ประกอบทั้งของเราทางของเขานะฮะสรุปก็คือตัวสัมมาทาคุณสี่แทีนี้ไอผ้ผลผลผลบุญหล่ะเนี่ยมันก็ ส่งดนบันดาลให้ว่าก็มีคนแก้ทางให้แม้จะประสบอันตรายก็ตามเทวดาเอ๋เทวดาเทวดาย่อมรักษาอะไรต่ใดเนี่ยคุ้มครองมันเป็นภาระอย่างหนึ่งที่จะคุ้มครองรักษาคนหล่อนี้ไวก็คล้ายๆกับว่าคนที่ก็เกิดมาเพื่อจะทําอะไรสักอย่างหนึ่ง เ, เหมือนกับอะไรมีของของเราสามองค์นะครับพระอรหันต์ผู้ใหญ่นสามองค์ที่ที่หน้าตายแต่ไม่ตาย พระภายกุละนี่เกิดมาถึงก็ไปอาบน้ำในแม่น้ำมจิรวดีก็มั่งอาบน้ำอยู่ปลาใหญ่ฮุบปับเข้าท้องปลาเลยวิ่งชิวไปติดไปติด อ, อะไรก็อะไรวนก็ชาวประมงอ่ะข้างล่างชาวระมงก็ไปไปถึงพะเห็นปลานั้นรีบพาทันทีเลยไปเจอเด็กพระาอังกฤษจะเทระแม่ตายแม่ตายท่านก็ถูกเผาไปแล้วเขาก็แทงศบ แทงแทงแทงแทงโผไฟไหม้เนี่ยก็ปรากฏว่าไ อ, ไ, อไอ้ไม้ที่แทงไปถูกหางคิ้วท่านหน่อยแล้วก็ทัานก็ไม่เป็นอันตรายรัฐบาลมันเราบุตรแม่ตายยังไงแม่ตายเพราะไฟร้อนกระท้องระเบิดเปลี่ยงเด็กลอยขึ้นเลยเด็กลอยไปเลยก็เรียกพวกปัดฉิมพระพุทธสัจอะระหะตระกูลคุ้มครองญาตปกแผ่นะฮะอรหั ต, ตะระกรู น, ตตนี่คุ้มครองเอาไว้ตัวนี้จะไม่ตายถ้าไม่บรรลุอะระหะไม่ว่าใครก็ตามจะไม่ตาย แต่เราจะมองมองให้เห็นว่าพวกนี้จะลดหลั่นกันลงมาได้เช่นว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาเพื่อกู้ชาติแล้วลองลองมาดูว่าเมืองไทยถ้าไม่มีพระเจ้าตากสินก็ไม่รู้อะไรแล้วประวัติศาสตร์ก็คงไม่เป็นอย่างเงี้ยเพราะง้น แ, แล้วท่านก็มินเมจะตายไม่ตายแหละแต่ ต, ตั้งแต่เด็กๆนะกมินเมอยู่เรื่อยเลยแต่ไม่เคยเป็นอะไรสักทีหนึ่งมันมีอันเป็นไปต้องมีคนมาช่วยท่น Gan. ต้องมีเทวดาอารัก์เข้ามาปกป้องรักษาเอาไว้ให้คนนี้กู้ชาติได้ก่อน กุยชาก็เสร็จภารกิจเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยพอท่านบรรลุอรหัตมันก็เสร็จภารกิจอุปเฉตกรรมคือกรรมตัดรอนอาจจะมาตัดท่านก็ได้เรื่อความพยายามคนอื่นเอาจจะมาฆ่าท่านก็ได้อย่างเช่นพระโมคคัลลานะถูกฆ่านะฮะแต่ว่าในฐานะปชิมวิกาตรท่านเสร็จแล้วบรรลุไปแล้วข่าก็ข่าไปก็ไม่ได้บ้อะไรก็พระอรหันต์ท่านก็เนื้อหนังมังสานีึนะฮะท่านท่านไม่ได้กลัวตายอะไร แต่ว่าธาตุดาบใดที่ท่านยังไม่บรรลุอรหัตเนี่ยใครจะทําอะไรท่านไม่ได้เพราะเพราะอารหัตตะคุณนั้นมันเป็นอะไรคื อ, อคุ้มหอกก็เรียกวิญญานปกแผ่มันปกแผ่คุ้มครองรักษาเอาไว้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แม้แต่แม่ตายอลไรยังยังระเบิดท้องออกมาได้เลยนี่คืออะไรบุญญาธิการก็เรียกกระตาปินีหาโรพูดโดยภาษาคนไม่เข้าใจนะฮะคือภาษาชาวบ้านธรรมดาไม่เข้าใจเพราะว่าคนในสมัยนี้ เราก็คงจะไม่ใครมีบารมีขนาดนั้นก็เหมือนคล้ายๆกับอนันตริกรรมที่คนสมัยนี้ไม่ค่อยเชื่อนะเรื่องธรณีสูบแต่ถ้าเรามองดูอนันตริยกรรมแล้วเนี่ยข้ามารดาข่าบินดาข่าพระอรหันตะ์ทำร้ายพระพุทธเจ้าทํำโลหิตตุปบาทแล้วก็ทําสังฆเภททีนี้คนที่ถูกธรณีสูบในสมัยนั้นเราจะเห็นว่าไปประทุษร้ายพระอาหารหันต์ทั้งหมดเ นะสุภพุทธะตุลณีสุภทุตรายพระพุทธเจ้านันตามานพระทุตรายนางบุญวนาเทรินันตากายักระทุตรายภาษารีบุตรนะแล้วก็เทวทัตก็อุตรุดเทวทัตเนี่อุตรุด <c oughs> แล้นางยินตะมนาวิกาก็พระทุตรายพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเออไ อ, ไอคนที่เราจะไปทํากรรมในปัจจุบัในขณะนั้นไม่มีไม่มีตัวอย่างจริงไม่มีแล้วสมยัยพุทธกาลมีคนอยู่5คนนะนะนั่นเอง นี่คือหลักเราต้องมององค์ประกอบต่างๆด้วยว่าองค์ประกอบที่ให้เป็นอย่างนี้คืออย่างไงก็คล้ายๆกับบุญของอนนาภาระเหมือนกันนะฮะเราจะเห็นว่าองค์ประกอบเหล่านี้แม้สมัยพุทธกาลก็มีหกคนอนันติกามีมีห้านะฮะแต่ ไ, ไม่ใช่ธรณีสูตรมีห้าแล้วก็ได้บุญสูงสุดมีมีหคน4ี่สิ้าปีนะในสี่หปีมีเท่านั้นเองบุญสมบูรณ์ขึ้นมาระดับระดับระดับเขาเรียกว่าระดับโลกีธรรมนะระดับตุบแต่งพวกชาติที่บุญทันตาเห็น ก็มีอยู่6คนบาปทันตายเห็นเปี้ยเลยก็มีอยู่5คนเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่เราทําตัวให้เกิดบุญนั้นมันปัจจุบันในมันหาจังหวะยากแต่ในสมัยก่อนยังหายากนะฮะพระพุทธเจ้าเองยังหายากเพราะาบาปในลักษณะนี้จึงหาได้ยากเหมือนกันเพราะว่าวัตถุคือคนอย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่มีให้ทำอันตรายแล้วนะฮะแล้วก็จะไปประทุษร้ายขนาดเราบนวร น, นาเถรีก็ไม่มีอะไรเราประทุษร้ายพระอารักษาราชีบุตรท่านอยู่ในสมาบัตินะ ไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยปกติธรรมดาเพราะท่านเดินบินตบัตรก็ไม่ตกนรกอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ถูกตอนนี้สูบอ่ะก็พรามเคยตีหัวท่านทดลองก็บอกภาษาดิบุตรในท่านไม่โกรธท่านไหนว่าอะไรไกัพรามต้องการทดลองดูไม่โกรธจริงหรือเปล่าก็เดินย่อไปข้างหลังตีหัวในขณะท่านบินตบัตรก็ไม่ได้ถูกทอนี้สูบเพราะไม่ได้อยู่ในสมาบัติแต่อยู่ในสมาบัติไม่ได้พลานุภาพสูงยานปกแผสมาบัตินี้ใหญ่มากแล้วถ้าไปกระทบท่านตรงนั้นก็ได้เรื่อง นี่คือจังหวะที่จะต้องมองในแง่ของเหตุปัจจัยของบุญก็ดีของบาปก็ดีนั้นเป็นเป็นเหตุปัจจัยของเขาเองถ้าจะปฏิเสธหรือยืนยันก็ต้องมองให้ครบกระบวนของเขารนะฮะจะยืนยันก็ต้องมองให้ครบกระบวนจะปฏิเสธก็ต้องมองให้ครบกระบวนการว่กระบวนการเานี้เรามีหร wow> ือเปล่าที่เราจะไปยืนยันที่เราจะไปปฏิเสธหลักการเหล่านี้กันครับนี่ก็คือแง่ของเหตุปัจจัยทีนี้พระนรุธเมื่อ ท่านตัดสินใจจะบวชตอนนี้เราก็จะจะพบถึงหลักการบวชนะฮะการบวชของพระสมัยนั้นอย่างอย่างอย่างอย่างพระพัฒนยะเนี่ยเขเรียกว่าบวชเพราะเพื่อนเพื่อนไปตื้อบวชอ่ะคุณมาบวชเพราะว่ไม่ได้บวชอ่ะแม่บอกอย่างนั้นอ่ะวัน้นคุณต้องบวชด้วยเป็นพระชาแผ่นดินอยู่ต้องบวชอ่ะนี่บวชเพราะเพื่อนนะและทีนี้พวกพระญาติเหล่าเนี้ยพระญาติเหล่านี้หกองคเนี่บวชเพราะพระญาติผู้ใหญ่ก็บีบอีกทีหนึ่งนะ อุบาลีเนี่ยก็บวชตามนายอุบาลีก็บวชตามนายพระราทาก็บวชพระยากไรคือสรุปว่าคนที่บวชเนี่ยบวช ด, ด้วยศรัทธาก็มีเบื่อนายก็มีจำเป็นก็มีจำใจก็มีเพื่อนชวนก็มีสนุกก็มีก็ไปเดี๋ยวว่าอะไรก็บวชกันมาก็แล้วกันราะงนั้นในพระศาสนาจริงๆนะอย่างอุปชีพิการอะไรแตะพูดในพูดกันทีหลังครับ รุ่นอัตรกรถารุ่นหลังๆสมัยพระพุธตธเจ้าไม่มีหรอกถ้าเราใจเอาพระอาหารหันต์มาท่านบวชมาอย่างไงก็ตอนบวชไม่มีทิศทางอะไรหรอกก็อย่างนี้ว่านี่แหละปะัญหาว่าบวชแล้วทํำยังไงไม่ได้บวชมาอย่างไงไม่สาคัญเจตนาเป็นเหตุให้เข้ามาบวชนั้นไม่สําคัญแล้วเราไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็แล้ว แ, แ, แต่ก็ใกล้ๆกับพระนาคเกษพระนาคเกษปิยมิรินก็ถามปัญหาเหมือนกันนะพคุณเจ้าบวชมาทําไมเพราะว่าพระเจ้าท่าน ท่านถามปัญหาแรกนะฮะถามปัญหาแรกว่าพระสงฆ์ในบวชมาทำไมแล้วนากาเถรก็บอกว่าตามเป้าแล้วก็บวชเพื่อทำที่สุดแทนทุกข์กระทำปานิพันธ์ให้แจ้งแล้วถามว่าคุณเจ้าเว้ยอาตมาตอนนั้นยังเด็กอะ่ะยังเด็กก็ไม่รู้บวชทำไมก็คิดว่าพระคงจะช่วยอะไรได้บ้างแลเหเมือเขมาถามตั้งแตสังราชเจ้ากรมหลวงวชิญญาณทวงปฏิบัติเนี่ยก็ถามว่า ฟาบาทแต่ทำไมาจึงบวชอ่ะอุ้ยไม่รู้ว่าตอนนั้นกันเป็นเด็กกันไม่เด็กผู้ใหญ่จับไปบวชเลยบวชก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆอ่ะไม่รู้จริงๆตอนนั้นจึงไม่ใช่ประเด็นเรื่องที่เรามาพูดบวชเลี้ยงชี่บวชบวชหนีเอะไรนะบวชนี้บวชรองบวชรองประเมนีบวชนี้สงสารบวชผานเข้าสู่บวชสนุกตามเพื่อนอ่ะมันก็มีนะฮะแต่ว่าเราว่ากันเองเราว่ากันเองในตอนหลังนั้นแม้แต่ว่าคนระดับพระหันท่าก็บวชไม่มีทิศทางเลแต่ว่าพอบวชเสร็จท่านมีทิศทาง ท่านมีทิศทางของท่านท่านออวบวชฒมาแล้วต้องทําอย่างนี้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการเหมาะสมแก่สมณภาะวะแก่เพศของภิกษุท่านก็ประพฤติปฏิบัตินี่คือประเด็นหลักว่าเราไม่ตัดสินกันตอนว่าเข้ามาเพื่ออะไรเหมือนการเข้าเป็นครูบาอาจารย์เข้าวัดเข้าวานี่เราก็เข้ากันคนละเป้านะฮะบางทีเผื่อว่าพระจะพูดออกหวยมั่งอะไรอะไ ร, ะไรนี่ก็มาจับเอานะแต่ว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าวัดได้ตามที่วัดควรจะให้นะฮะ ก็คล้ายๆกับอะไรกันนายกาละที่เคยเล่าให้ฟังนามาแล้วลูกของอนาตบินติกาเศรษฐีพ่อจ้างให้ไปฟังเทศอะใหญจ้างตั้งแต่รับตั้งจ้างตั้แต่เข้าวัดนะฮะเข้าวัดแล้วก็รับศีลแล้วก็ให้ฟังเทศแล้วให้จําหัวข้อมาบอกให้พ่อฟังได้นะไอ้ตอนนั้นให้พันหนึ่งเลยให้พันคาถาอันนั้นงั้นเจตนาจริงๆมันก็เจตนารับจ้างอะรับจ้างตั้งนั้นเงินตั้งพันนะจ๊ะจำหัวข้อธรรมะมาได้ไม่กี่ข้อแกก็สบายแต่ว่าผลทุกทายแกบรรลุปัโสดา เป็นพระสสดาบันนะฮะโดนโดนจ้ากันหลายช่วงหลายก็ได้เงินหลายเหมือนกันนะั่นนะแต่ว่ า, าผลจริงๆนั้นก็คือบรรลุมรรคผลไปการบวชหรือว่าการสรุ ป, ปธรรมอะไรเจตนาเดิมนั้นไม่สำคัญขอให้ปรับเจตนาให้ถูกเมื่อเข้ามาอยู่ในที่นั้นๆก็เป็นการเพียงพอแล้วนะฮะทีนี้ความคิดของไม่ใช่หลักการปฏิบัติโดเฉพาะพานุรุตนะฮะว่าพานุรุต แสดงที่ว่าสนทนาการสามองค์ในพระพักตร์คู่กับพระกิมิระพระนุรุตเนี่ยมาคุยกันเรื่องบริกรรมเขาเรียกว่าบริกรรมเพื่อที่ปรจักษ์สุบริกรรมหมายความมากระทําทุกแง่ทุก ม, มนะุมบริกรรมที่จริงก็กระทำรอบรอบบริกรรมกระทารอบๆบกระทำบ่อยๆกระทำซ้ำๆอะไรก็ตามอนะคือหมายความว่าที่เกี่ยว ก, กับการให้เกิดที่ปรจักษ์สุมันก็ต้องทําหมดเลยว่าบริกรรมเพื่อที่ปรจักษ์สุนั้นไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายเลยและทําให้เรามองเห็นทุกจุด ทุกจุดของการปฏิบัติว่าฤทธิ์บประการก็ดีนะฮะฤทธิ์บประการก็ดีสมาธิก็ดีหรือฌานก็ดีนะแล้วขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงมรรคผลเลยเออมันจะต้องมีวัสีทั้งหมดเลยวัสีห้าประการที่เราสวดๆนะฮะสีทั้ง5ประการสมาปัจจนะอธิฐานะจนถึงปัจจเวกณะนี่ มีครบต้องมีวัสสีทั้งหมดเลยมีความจํานี้ชํานาญทั้งการข้าวการออกการนึกนะการให้อยู่ในสมาธิการพิจารณาตัวสมาธิเป็นสมาธิหรือไม่มีสมาธิมีอะไรแทรกหรือไม่แทรกะอะไรเนี่ยมันต้องมองได้ตลอดแล้วก็ชํานานนะเกิดปั๊บโดยอัตโนมัติได้จึงไปทำอย่างนั้นได้ในการเห็นเทวดาในแงด่ด้วยเห็นด้วยที่ประจักษุนะไม่ไม่จะบอกเขาแสดงตัวเขาแสดงตั ว, อ, ตวอีกเรื่องหนึ่งถ้าจะมอง เห็นเทวดาโดยที่ประจักษ์สุแล้วก็สนทนากับเทวดาได้โดยอำนาจของจตุปาตยานะฮะรูปปุ่บเพ่พิญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากต้องปฏิบัติผ่านขั้นตอนกันยะแ ย, ยะไปหมดเลยนะถ้าเราไปอ่านในอะไรละ่ะพรงนี้ถ้ามีเวลาลองอ่านในอิทธิวิทันิเทศในปฏิสามิธามาร์กนะฮะอ่านสัมวนบาลีอาจจะยากหน่อยนะแต่ถ้าจะจะพูดก็ต้องซักซัก สักสามชั่วโมงพูดแต่สักสามชั่วโมงแล้วก็พูดมาเป็นจังหวะนะฮะก็จะส บ, บายมองเห็นเป็นฉากเป็นฉากไปว่าไอ้บันไดขั้นหนึ่งมันเดินยังไงขั้นสองมันเดินยังไงและขั้นสามนี่ันเป็นยังไงจึงจะออกผลขึ้นมาเป็นอย่างนั้นท่านต้องทําด้วยความเพียรอย่างแรงกล้านะฮะดยสติสัมปชัญญะอาตาปีเนี่ยนะก็สูตรเขาอะสูตรเขาในด้านทําความเพียรพยายามก็ทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเราจะเห็นว่า งานบริกรรมเพื่ออะไรก็ตามไม่ใช่งานง่ายแต่ไม่ใช่ยากเกินไปคนทุกคนทําไม่ได้แต่ก็มีบางคนทําได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าเป็นเช่นเดียวกับคนทั้งหลายซึ่งไม่ประมาทมีความเพียรมีเจียติจำนวนมาแนวหนว้กระทำแต่มันจะเกิดขึ้นแก่คนเหล่านี้ทั้งหมดใครก็ตามถ้าเป็นได้อย่างนี้แล้วก็จะเกิดได้ปัญหาสําคัญมันก็อยู่ที่ตัวเหตุ ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดผลเหล่านั้นว่าเรามีเหตุเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีเหตุมันก็เกิดเด่นเดียวก็เกิดแก่พระพุทธเจ้าก่อนแล้วมาเกิดแก่พระอนุรุตทีนี้การได้ที่ประยักษสุขของท่านนั้นเรียกว่าได้ตามตามต้องการอ่ะพระอรหันต์ทั้งหลาย ท, าท่านได้ตามต้องการก็ท่านการอธิษฐา น, ท, ท, านท่านตั้งความปรารถนามาอย่างพระอัญญาโกนทัญญะอย่างเงี้ยท่านก็ขอบรรลุไอ้มากผลคนแรกในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ได้นะ แต่ภาษาดิบุตรนั้นท่านไม่ได้ขออย่างนั้นท่านขอให้เป็นอักรสาวกของพระพุทธเจ้าพรองค์ใดพรองค์หนึ่งทําบุญเพื่อการนี้มาทําบุญเพื่อการนี้มาทั้งหมดฮนะพระโมกขลานะก็ขอเป็นอักรสาวกผ่ายใช้สารีบุตรก็าอธิษฐานก่อนกอธิษฐานก่อนเขาเขาเกิดเป็นเพื่อนกันในชาติหนึ่งสารีบุตรนั้นออกบวชพระโมกขลานะเป็นเศรษฐีแต่เขาก็เป็นเพื่อนกันก็ยังติดต่อกันนี่ก็ตั้งความปรารถนาเสร็จแล้วก็ไปชวนไปชวนเพื่อนบอกนี่ เราปรารถนาเป็นอาคัสาวกของพระพุทธเจ้านะฝ่ายขวาแล้วถือไปปรารถนาฝ่ายซ้ายแล้วทําบุญร่วมกั น, นวันนี้ก็ทําบุญกันร่วมกันมาเราจะเห็นว่าทุกคนได้ตามเหตุของเขาเขาทําเพื่อการนี้ของเขานั้นคือความยุติธรรมในกฎของกรรมมุ่งมั่นมาเพื่อจะได้ทุ่มเทเรียวแรงความเพียรพยายามลงไปในการนี้มาโดยลําดับและในที่สุดนั่นก็ได้ของท่านปานุรดเป็นพระเถระที่มีบทบาทมากนะฮะในด้านแต่ว่าบทบาทท่านเรียบๆนะฮะ เรียบๆไม่ไม่ไม่ทำงานไม่ได้แบบท่านเลขาอา น, นุนหรือพระอนุนในท่านเลขางานท่านเยอะงานท่านเยอะผลงานเด่นมากมากเหลือเกินนะฮะคือคือเรียกว่าก็งานแบบเลขานะฮะตรง น, นั้นเมื่อเมื่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าก็ต้องมีพระอานุนด้วยไปส่วนพระอนุธนั้นท่านก็อีกแบบหนึ่งท่านเกียรสุกุมาราชาต์ลูกก็เลี้ยงมาดีอะ ก็เคยเห็นก็ขนาดข้าวหุงย <ous> ังไม่เคยเห็นเลยเอาอะไรกันท่านก็สุขุมารชาติละเอียดอ่อนเกินอ่ะงานของท่านจริงละเมียดละไมไปหมดตลอดชีวิตของท่านเนเป็นงานละเมียดละไมนะเป็นงานเป็นงานเครียบงานพูดดีอ่ะงานพูดดีงานละเมียดละไมผิวบางๆนะฮะก็ทําไปเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จแสดงยมกปริหารท่านก็ข้าวสมาธิตามเสด็จ เราพุธเจ้าไปอยู่ที่ไหนแล้วนะฮะพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนเวลนี้ประทับตรงไหนตรงไหนท่า น, นก็บอกให้เอาพระพุทธเจ้านิพพานท่านก็ข้าสมาธินะฮะทำงานงา น, งานเรียบเรียบงานเรียบเรียบข้าสมาธิตามแล้วก็บอกเวลาปัญหาในกรณีนี้นะครปัญหาเกี่ยวกับทิพยอำนาจทั้งหลายเนะะี่ยแม้จะมีภาษาดิบุตรเขาจะไม่ถามเขาจะถามพระอนุรุตยึดถือว่าใครถนัดด้านไหนทํา ง, งานด้านนั้น ก็จะไม่ถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรตั้งก็ได้เหมือนกันนะก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ารองจากพระพุทธเจ้าเฉพาะในด้านนี้นะฮะเฉพาะด้านนี้คือพระอนุรุตเฉพาะด้านที่ไปจากสุญย์คือท่านท่านท่านเยี่ยมจริงๆแล้วก็สึกหาปุริสรวิตกได้เร็วแต่ไม่ทันหรอกฮะก็ได้เร็วกับคนอื่นไม่ทันพระพุทธเจ้าเพราะลักษณะเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นอพุทธญาต คือเป็นญาณของคนระดับพระพุทธเจ้าที่จะพิจารณาเห็นได้นี่ก็เป็นเรื่องราวของพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่ทำงานสืบต่อาศาสนาจนสร้างมารดกโดยการทั้งคายนาแล้วท่านก็มีบทบาทสำคัญอยู่ในที่นั้นวันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านเถอ